ก้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสสา ม, มาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนโมนั้นมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุท ธ, ธกาลก่อนที่ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา ท่านมีการตั้งนโมตั้งนโมก็คือว่าตั้งใจตั้งตัวตั้งใจน้อมนึ ก, กลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านั้นเราทุกคนต้องเทิดทูนไว้สูงสุดเรียกว่าบนเสียนเกล้า พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตาคินาศเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาจารของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหลนณโมนีจึงเป็นที่งอมนึ ก, กล้ำลึกถึงคนของพระองค์ เมื่อเราเข้าใจว่าพุทธโธนโมเป็นการกราบไหวบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังโดยเคารพการนั่งสมาธิภาวนาเป็นข้อวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจงพากันหัดนั่งสมาธิ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 น้อมนึกล้ำลึกเอานะโมหรือว่าพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพรห ม, มวิหารทั้งสี่พระองค์มีความเมตตาแก่พวกเราทั้งหลายดูเถิด พระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวีนนยสัจตสาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเพื่อแผ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมาสองพันห้า้อยี่สิบหกปีแล้ว พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดอยู่ 45,000 ปี45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิดกพระสูตรพระวินัยพระประมัติต์ให้ชื่อวัตู้พระไตรปิดกพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรจุดมุ่งหมายก็คือให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบา ร, รมีของตนของตนให้แก่กล้าเพื่อจะลังอับดับ ไฟลาคโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนให้ดับให้หมดไปจึงมีวิธีการนั่งสมาธิภาวนามีวิธีการฟังธรรมแล้วมีวิธีการปาราบความเพียนด้วยการเดินจมกรม นั่งกรรมฐานมีระเบียบธรรมเนียมไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพุทธสาวกในขั้งพุทธกาล สมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเศกขะมานาท่านจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มี พัขละตัวหนังสือการขีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้อย่างว่าพระองค์ตัดปฐมเทศนาที่ไหนท่านก็จำได้ว่าที่เมืองพารานาสี สอนใครก็สอนปัญจวคีทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระโซดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระาลาหันตาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิต เมตธาเชื่อเลื่อมใสในคนพระพุทธเจ้าว่าคนพระพุทธเจ้ามีจริงคนพระธรรมมีจริงคนพระสงฆ์มีจริงคนพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณคนพระธรรมไม่มีประมาณคนพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกรจองตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทพระพุทธิจ้าวทรงเตือนพระอ น, นุนให้ภาวนามรณะกรรมฐาน เตือนใจไม่ให้ประมาทว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วนอกจากหนีไม่พ้นความแก่ความชราแล้วก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคขาแล้วผลสุดท้ายหนีไม่พ้นซึ่งความตาย ในโลกเหล่านี้มันเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่โลกนี้สบายถ้าหากว่ามนุษย์โลกเทวโลกพุทธมมโลกเป็นความสุขสบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็คงอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัย มีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงหาทางออกทางออกจากทุกข์นั้นเรียกว่าทางภาวนาทางปฏิบัติบูบชาต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะมีทางออกคือถ้าเราเพียงแต่ว่า ฟังอย่างเดียวไม่ทมไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบใจต้องตั้งมั่นให้จิตใจมาเพียรเพ่งดูพุทธโธคุณพระพุทธเจ้า น้อมนึ ก, กลำลึกอยู่ในหัวใจการภาวนานี้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าร่างกายสังขารของเราทั้งหมดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดละนับตั้งแต่เกสาผมโลมาขนนคะาเล็ทันตาฟันตะโจหนังบังสังเนื้อนาลูเอนอธิกระดูก อธติมินชางเยื่อในกระดูภายในหนังหุ้มเนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิกูลณที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นธรรมกรรมฐานที่ทุกคน จะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจดูเวลาผู้จะบวชเป็นเนนผู้จะบวชเป็นพระก่อนที่จะรับสินท่านให้เรียนกรร ม, มาฐานห้าเอาไว้พิจารณาได้แก่เกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจนัง เจสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมา <c oughs> เจสาสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิษพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตใส้พุงนี้ ไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอสุภกรรมฐานทุกๆคนเหมือนกันแล้วก่อนอสุภกรรมฐานนี้ก็รอเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลที่เราบริโภคอาหารทุกมือทุกวันไม่ไดกขาด ก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมฐานไม่ว่าจะเอาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่เปื้อนเปะเละเอะเหม็นสาบเหม็นข่าวมีเหือมีไครติด นั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปปันร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งาเต็มไปด้วยปูโภโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ถ้หาหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใดโรประขันร่างกายของเหล่านี้จะมีกลิ่นส่งฟุ้งออกมาไม่มีอะไรที่เราว่าสวยสดงดงามตั้งอยู่มั่นคงถาวรไม่มีเลยโรคประคันนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ถ้าคนที่เคยไปดูเมื่อคนที่เถาตายไปใหม่ๆพอตายแล้วกลิ่นของคนตายก็จะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่งทรงกลิ่นฟุ้งออกมา <c oughs> แสดงว่าโรคประขันร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลจริง ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกันนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเดนหรือญาติโยมเขาก็ใส่เหีบใส่หอประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมถูกเทียนมาจุดถึงจะจุดอย่างไรก็ตาม จะบูชาประดับประดาด้วยวิธีการใดๆก็ตามภายในเหีบหอไม่ใช่ของสวยงามเป็นของปฏิกูลโสโครกแม่ตัวเราที่ยังไม่ตายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยอยู่ก็ให้กำหนด กำหนดให้ได้ว่าร่างกายของเหล่านี้ก็เหมือนศพที่อยู่ในหีบในโรงในหอนั่นแหละภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาให้มุ่งพิจรณาไปในทางที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายโลกประขันสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาไม่กี่วันเกิดมาไม่กี่เดือนเกิดมาไม่กี่ปี ส่วนมากชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยจะถึง1 0อยปีมักจะแตกดับเป่อยเน่าผู้พังก่อนร้อยปีเป็นส่วนมากแม้ผู้ใดจะเลย่0 0อยปีไปก็ไม่พ้นจากภัยอันตรายต้องมีความแตกความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้ เมื่อผู้ปฏิบัติฟังทมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเหล่านี้โดยสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้น ถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินของมนุษย์ความจริงมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินคือว่าร่างกายก็ดีวัตถุเข้าของก็ตามมันต้องถมแผ่นดิน คนที่เกิดมาเมื่อตายก็ถมแผ่นดินคนจะมีสมบัติพัดสถานอะไรแผ่นดินเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนกุฏิยี่หารผลที่สุดก็ถมแผ่นดินลองโซสภาพแผ่นดินเจตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ในจิตใจของเราต้องตามกำหนดให้ลูก เมื่อไม่รู้ก็ให้ทําจิตให้สงบตั้งมั่นจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าจิตฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วไม่มีทางรู้มมแต่ทางหลงพระพุทธเจ้าทรงตัดแล้วว่าในโลกนี้ เมื่อพระองค์ท่านยังไม่พ้นจากโลกก็คือวนเวียนอยู่อย่างที่เราเราท่านท่านเป็นอยู่นี่แหละอนเนกชาติอนเนกชาติสังสารังสันาทาติสังอเนปิสังคนเราทุกคนนั้นคือว่ามาเกิดมาตายในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักที ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัณหาในใจตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระ ง, งับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่งตางๆนั้ น, นาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝน ยังดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคือนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาให้ได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามจงภาวนาพุทธโธในใจ หรือมลนะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลายัางดวงจิตดวงใจนี่แหละให้มีความสงบตั้งมัน่นโยในธรรมปฏิบัติไม่ให้นอกจากธรรมปฏิบัติดูร่างกายสังขารของเราเอง จะดูอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันเต็มไปหมดในร่างกายสังขารอันนี้อัติกังกระดูกสามรอยท่อนก็เต็มตัวของเราอยู่ปบพอโลหิตธาตุดินน้ำไฟลมก็เต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกทุกคน จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู้เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทธโธพุทโธพุทธ ดวงพุทธะจริงๆพุทธะจริงๆก็ได้แก่จิตผู้รู้นี้เองพุทธะพุทธโธพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเราพุทธะพุทโธของพระอริยสงสาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าก็ตาม ท่านเมความเพียรความหมั่นความขยันในการบุริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปทํานระ ง, งับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายใน สังขารมานกิเลสมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไปภาวนาอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเมื่อรวมหลักนี้ได้แล้วจิตก็จะเย็นสบายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เมื่อมาถึงวันวิสาขาบูชาเป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพธิ์พระองค์นั่งกรรมฐานภ า, าวนาบริกรรมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไป ท่านนึกอยู่เจราเนอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนท่านมองเห็นได้ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นมีได้เป็นได้ทุกลมหายใจถ้าลมหายใจนี้ติดขัดอะไรขึ้นมาหายใจเข้าออกไม่ได้ บกคคลผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตายอยู่ไปไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณารู้ได้เข้าใจว่าเรานึกพุทธโธภาวนาพุทธโธดวงจิตผู้รู้ว่าพุทธโธนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่นั้น จนความสงบประงับเยือกเย็นบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานั้นความร้อนใดๆซึ่งเป็นลาคกินาไฟคือลาคะโทสกีนาไฟคือโทสะโมหกีนาไฟคือโมหะไม่ให้มันลบกขึ้นมาเพียรพยายามบริกรรมทำใจให้สงบ ทกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนระวังจิตใจไม่ให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตให้จิตนี่แหละใสเหมือนแก้วมณีโชตแก้วมณีโชแก้วมณีโชดนั้นเรียกว่าใสไม่มีอะไรเท่าทัน ยองพยายามทำใจของเราให้เหมือนแก้วมณีโชตใสสว่างคิดอย่างไรเป็นบาคิดอย่างไรเป็นบุญภาวนาอย่างไรเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็ให้รีบตั้งใจขึ้นมารวมใจให้มันมั่นคงลงไป เรื่องราวใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตของคนอื่นผู้อื่นเจดใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้คณนเนว่าจิต ด, ดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดเน้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปทีเนธ มันเย็นสบายลงไปพุทธโธอยู่ที่นี่ธรรมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีธรรมมากบำเพ็ญที่นี่ที่ดวงจิตดวงใจตอนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสลูนี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนาน นับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตักสโลเป็นประพุทธเจ้าจะได้ช่วยลือขนสัตว์ <c oughs> ให้ออกจากโลกออกจากวัฏสงสารพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการให้การบริจาค พระองค์รักษาบัมเพนศีนบาลมีรักษาศีนห้าศีนแปดศีนสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดตามการเวลาเมื่อพระองค์บัมเพนทานรักษาศีนแล้วก็ภาวนาหรือว่าเลขคำบาลมีเว้นจากกิเลสการมวัตถุการม พระองค์ก็ฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมีปัญญามีความเฉียวฉลาดมีความอาถานในการที่จะปฏิบัติบูบชา เชี่ยมสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอานทานสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาทำเพีินได้เราก็เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรลงไปยังจิตใจให้มีปัญญา ให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียว่าสอนใจของเราให้มีพัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหลจะกจะต้องบำเพ็ญบิริยะความภาคความเพียรความพยายาม ในทางที่จะเลิกละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปวริยะบารมีนี้สำคัญมากเหมือนกันพระองค์ทรงตัดไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร ผู้จะแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยกิเลสลาคะโทสะโมหะได้ดีที่สุดก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเอาใจใส่ในกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจดวงนี้มีความภาคความเพียรแล้ว ทันว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมขมัตเจติ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 บุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรท่านผู้เมความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกได้ความเพียร น, นี่ก็ตั้งใจนี่แหละไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนเหลาก็ต้องให้มีขันติ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 ท่านมีความอดทนขันตีธีรัสลังกาโลขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นเริมหลักไม่ได้เคือว่าซับจะ ความจริงใจทำอันใดถ้าทําไม่มีสัจจะพูดอะไรไม่มีสัจจะคิดอะไรไม่มีสัจจะต้องให้มีสัจจะอยู่ในใจเมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจะ มีโยในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จะเจริญก้าวหน้าไปนั่นจะต้องอ า, อาศัยการอธิฐานใจ เราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลือกไม่เลือกล้มความเพียรมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไรก็ชักเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลัง สัจจาอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญมาคำว่าเมตตามีอยู่สองพันแหนเมตตาตน มุ่งให้ตนมีความสุข ก, กายสบายใจภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผลเมตตาสัตว์หมายถึงคนถึงสัตว์ภายนอกก็ต้องมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายล่วงเกินเราก็อย่าไปทุกข์ไปรอ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 ในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพรมโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่พวัคคภมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจั ก, กรวาลแสนโกดจั ก, กรวาลอะนันตาจั ก, กรวาลจนนับไม่ท่วน มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่เปล่ามานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเทิดข้าพระเจ้าไม่เบียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมาตาถนาให้เห็นว่า มนุษย์คนเราก็ตามสัตว์สิ่งเรือนสานก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้พยาติเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพยายามยังจิตใจอันเมตตาธรรมภายในให้บังเกิดมีขึ้น จอนความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่มีมีพุทอธคุณปรัชญาเจ้ากราบไหว้ทุกวันมีธรรมโมคุณพระธรรมกราบไหว้ทุกวันมีสังโฆคุณพระอริยงสงฆ์กราบไหว้สักการะบูชาทุกวันเวลา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 เจบใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนุษย์และสัตว์ทางหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในใ จ, ใจิตใจ ใจเราผู้เรียนอุเบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้เจ็ตเราก็อยาได้เป็นทุกข์เป็นหลออย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ว่า บางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ตอนนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทำจิตใจในดวงผู้รู้อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่รอ หรือเรายัางมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้เขาแตกเขาตายเขาทุกข์เขาร้อนก็ให้รู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกแทนเขาอย่างดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาเป็นแก้วมัณฑีโชคแก้วมัณฑีอยู่เสมอ เมความเยือกเย็นสาบายเป็นสุขภายในจิตใจไม่วุ่นวายภายนอกเนลคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้น ทานเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตายเข้าถึงได้แล้วไม่ตายไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะพระธรรมลมท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบระงับ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 ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉันนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะอธิวาธนาซีฤทธิเนจังบุตธาปจายิโน จัตตาโรโอธรรมมาวะทันติอายุวันโนสค ข, ขังธาตังเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งใจให้มันสงูงมาทำจิตใจมันต่ํา จิตอันใดที่เมกิเลตลาคะอยู่ในจิตในใจคิดว่าจะสุหาลาเพสก็ให้ละทิ้งให้หมดเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาละกิเลตตัวสำคัญ กิเลสตัวสําคัญคือว่าเป็นกิเลสที่สร้างมนุษย์ให้เกิดมาเกิดมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหาของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่มันสร้างขึ้นมาทีนี้จิตใจที่ภาวนายังไม่เกิดไม่มียังไม่เป็น ยังละจีเลตลาคะตัณหาไม่ได้พอเกิดมาล่องให้แหวะแวคำเดียวก็มายึดมาถือว่าตัวเราของเรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราหาลู่ไม่ว่าจีเลกของโลกของคนอื่นเขาถ่ายเทไว้ ใจเราไม่รู้ก็มายึดมาถือเอาธาตุดินมน้ำไฟลมก้อนธาตุกรรมฐานนี่มาที่นี่ได้มาแล้วก็ไม่มีสติสมาธิปัญญาอันใดที่จะมาตามโลกตามลตามแก้ไขก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไปต่อไปอีก เวลาทำจิตใจให้ใจมันสูงอย่าให้ใจมันต่ำคำว่ า, าใจสูงก็คือว่าไม่หลงไหลไปกับกิเลสราคะโทสะโมหะพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเมื่อมันสูงไม่ได้ก็ให้นึกถึงมรณะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส สอนพระอนนท์ไว้ว่าดู่อนอ น, นในวันหนึ่งอนนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอนนท์ก็ทูลตอบประพุติกจรมว่าตัวเกนฑโยได้นึกถึงดังวันละหลายพันครั้ง าพระองค์ได้นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งตวนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสสวนไปว่าดูก่อนอานอนลวันหนึ่งหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ว่าอย่างนั้น ต่อไปให้อานอนท์นึกถึงความตายนี่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียอากพระธรรมิ น, นัย และให้อานอนท์ต่อไปให้อานอนท์นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแล้วก็ให้บอกตัดเทศสนาสอนญาติโยมพุทธบริษัทด้วยว่าให้พากันนึกภาวนาความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก นึกได้ทั้งเด็กทั้งนมทั้งแก่ทั้งชลาทั้งเครือัดในวันปัสิตไม่ต้องไปแยกท่านวันนะนึกได้เมื่อไรก็ให้นึกแม้จะนั่ง่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่ท่านึกได้เวลานั้นก็นรีบนึกว่าเราจะต้องตายแน่ๆที่พนมาจาก เป็นทาลกไม่ตายกบเป็นบุญอันหนึง่งจนมาถึงวัยหนุ่มวัยแกวัยชรานี้เรียกว่าเป็นบุญมหาศาลเพราะจะได้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลชวนเราาตถาคตพระองค์สอง แน่ให้อานอนท์ดูเราตถาคตเลยนะเราตถาคตนี้ตั้งแต่ได้ปรับสลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราตถาคตไม่ได้นิ่งนอนใจลมเข้าไปเมื่อใดเราก็นึกได้ว่า น, นี่ความตายถ้าออกมาไม่ได้ก็ตาย ลมออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณะเมภาวิสติเราตถาคตนึกถึงความตายนี่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนั่งขัดสมาธิเราตถาคตก็ไม่ท้อไม่ถอยไม่ว่าเราตถาคตจะเป็นนั่งที่ไหน ก็นั่งขัดสมาธิเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาแม้กิเลสราคะโทสะโมหะมันดับแล้วตายไปแล้วก็ตามแต่ระเบียดเหล่านี้เราตถาคตยังรักษาไว้เพื่อสอน สาวกสาวิกานักบวชนักบ้านในโลกในมนุษย์โลกเทวโลกพรห ม, มโลกเพื่อว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเสด็จไปที่ไหนก็ตา่ามนุษย์และเทวดานั้นลร ว, ว่าได้เห็นได้เห็นนั่งสมาธิภาวนา ท่านก็สอนไว้อย่างนี้เมื่อท่านสอนแล้วผู้ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังมักจะลืมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็ไปฟังคำสอนของปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลกเขาไม่มีธรรมะธรรมโมอันใดที่จะมาสอน เขาก็เอากิเลสราคะโทสะโมหะของเขานั่นแหละมาสอนมาบอกพวกเราทั้งหลายอยู่ใครมีกิเลสอะไรมันก็แสดงออกจะพูดอย่างปราศัยอันใดกิเลสของใครมากน้อยเท่าไรก็แสดงออก ส่วนมากก็เกิกิเลสสามกองนี่แหละกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันไม่ได้ใจมันไม่ได้ไปไกลจากจิตใจมนันนวดคนเราเลยมันอยู่ในหัวใจมันเฝ้าอยู่ในหัวใจ สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ต้องการอยากได้ถ้าสิ่งใดมันขี่ร่ายกีเละไม่ชอบอย่างเห็นคนถ้าเห็นคนผิวพันวันนะดีรูปร่างดีสะสวยตามสมมุติโลกกิเลสอันนี้มันก็ชอบ แต่ว่าเกิดบังเอิญคนที่โทษกุษังมาเฉพาะหน้าร่างกายมันแตกมันบวมมันมีน้ำเหลืองไหลเลือดไหลมาเฉพาะหน้าผิวไม่งามมันก็ไม่อยางดูบางคนก็หันหน้าไปทางอื่นไม่ดู เวลาที่โูดกุดถังมาใกล้ไม่อยากพูดด้วยไม่ไถ่าถามด้วยเขาจะมาขอสตางก็ไม่ค่อยจะให้เพราะว่าให้ก็ให้โดยความจ้างให้มันไปแมันพ่นหน้าพ่นตาเพี้ยเพราะข้าพเจ้าไม่ชอบคนที่โูดกุดถังเหม็นสาบเหม็นขาวดู มือก็สั้นเท่าเท่าก็สั้นเท่านิ้วเท่าก็ไม่น่าดูละอันนี้คือว่าจิตใจมนุษย์คนเราธรรมดาปุถุปุถุยนโปุถุชนไม่ว่าใครมันเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาทั้งหลายจงพากันตังอกตั้งใจ ภาวานาอย่าได้ท้อถอยมะระนังเนภวิสติมะระนังเนภวิสติมะระนังเนภวิสติเราจะต้องตายแน่ๆไม่มีวันไหนเวลาใดจะพ้นความตายไปได้ถ้ายังเด็กยังนมอยู่ก็ยังเข้าใจว่าเรายังห่างอยู่ แต่สภาพความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นยังนมแน่นแข็งแรงแต่ว่าความตายมันก็วิ่งเข้ามาก่อนตายก่อนคนแก่คนชราก็มนี้นั้นยาได้ประมาททุกลมหายใจเข้าออกจองนึกถึงว่าความตายเราหนีไม่พ้น เราเดินไปมาเราอยากเข้าใจว่าเราหนีจากความตายพ้นเดินความตายมันก็เดินนะยืนมันก็ยืนนะความตายแล้วว่ามันเทียบอยู่เหมือนเงาเทียมตนคนเราเมื่อแดดส่องมาจะเห็นเงาตัวเองว่ามันมีเงาเป็นลูกความตายมันก็แสงอยู่ในร่างกายของคนเราทุกๆคน ให้ยจะเศร้าโศกเสียใจดีอกดีใจเพิดเพลินอย่างไรก็ตามแต่ความตายมันมาเด็กเพิดเพลินไปกับบุคคลมันจ้องอยู่ที่จะเอาตายให้ทุกเวลาเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกให้พากันเรียบบอกกรรมาฐานให้ใจของตัวเอง ลกขึ้นภาวนานึกถึงความตายนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันเวลาในใจนั้นได้ว่าตั้งใจอยู่ให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์สัญญาต่างๆดีใจเสียใจเป็นเรื่องของกิเลส มีมากน้อยเท่าไหรก็เพียรพยายามเลิกละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดไม่มีใครจะไปเลิกไปละแทนให้เราดอกเราเองนั่นแหละจะละเองละทําเองให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสสอนไว้อย่างนี้ให้เราทุกคนน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบจิตใจเข้ามาจนเป็นสมาธิภาวนาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจริงๆแล้วความรู้แจ้งแสงสว่างก็ย่อมเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเอง ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละละสติติโยวิวัตันตตสัพพโลโควินาสโตมาเตภวัตวตวันตราโยสุกิธิคายุโกภะอภิวานทนาสิริสนิจยังวุ ธ, ธาป า, าดิโนจตารโอธรรมาวันติ อายุวันโนโฉขังภาลัง